วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเนื่องจากว่าวันนี้ เป็นวันหยุดชดเชยวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาที่ไปตรงกับวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดทำงานโดยปกติทางราชการจึงให้มีวันหยุดชดเชยคือในวันจันทร์ในวันนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเป็นผู้ที่ สนใจกับเรื่องของการทำบุญเราก็จะเรียกว่าวันนี้เป็นวันกําไรบุญเพถ้าไม่มีวันหยุดเฉยๆวันนี้เราก็จะต้องไปทำงานทำการกันเมื่อเราต้องทำงานโอกาสที่เราจะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มขึ้นก็จะไม่มี การมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของพวกเราทุกๆคนเพราะว่าจิตใจของพวกเราในตอนนี้เป็นจิตใจที่ยัง ไม่พ้นจากความทุกข์ต่างๆยังอยู่ภายในกรุกตารางของการเว้นว่าตาเกิดอยู่ของการที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆและต้องไปรับผลบุญผลบาปในภพต่างๆอยู่เรื่อยๆ ไปอย่างไม่มีวันชิ้นสุดการที่พวกเราจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากสภาพที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเราเป็นเหมือนนักโทษที่จูงจองจำกักขัง เอาไว้ในคุกตารางของสังสารวัตรคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยพบใหญ่คุกตารางที่เราถูกกักขังอยู่นี้ก็มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันกำแพงด้านหนึ่งก็เรียกว่าเกิดกำแพงด้านที่สองก็เรียกว่าแก่ ด้านที่สามก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยและด้านที่สี่ก็คือตายพวกเราถูกกักขังอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแลวก็จะติดคุกติดตารางนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้ มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วและเป็นผู้ที่จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีเด่นลอด นี้ออกจากคุกจะลางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นภพชาติของพวกเราภ พ, พนี้ถือว่าเป็นภพชาติที่ที่มีอกเป็นโอกาสทองเป็นภพชาติเดียวที่จะทำให้เรานี้สามารถที่จะหลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราเ็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้และเราจำเป็นจะต้องเป็นมนุษย์ด้วยถึงจะสามารถเรียนรู้ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าสมมุติว่าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นมาเกิดเป็นแมว เ, เป็นสุนัขถึงแม้จะได้มาอยู่ในวัดที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คอยสั่งคอยสอนแต่เราก็จะไม่สามารถเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ได้ กพราถ้าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์เอนตอนนี้มีการแสดงธรรมอยู่บางท่านบางทีก็พาสัตว์เว้งมาด้วยพาสุนัขมาฟังเทศฟังธรรมด้วยแต่เขาไม่สามารถที่จะเข้าใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่สามารถนำเอา คำสั่งคำสอนไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้เลยจึงเป็นการเสียโอกาสสำหรับเขาที่ได้มาเกิดในภพที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คอยสั่งคอยสอนธรรมะแต่พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจ ถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆได้เขาก็เลยจะไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตัวของเขาให้ตัวของเขานั้นได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเห็นว่าตายเกิดได้เลยเป็นสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่พวกเราได้พบกันก็คือ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งสองการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาซึ่งตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ส่งแสดงไว้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายกว่าที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ อาจจะต้องใช้เวลาเป็นเวลาอันยาวนานเพราะว่าพบของมนุษย์นี้เป็นพบที่มีน้อย ม, มีประชากรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพบของสัตว์เดรัจฉานพบของสัตว์เดรัจฉานนี้มีมีประชากรมากมีจำนวนมากกว่า เวลาออกลูกออกหลานก็เลยออกลูกออกหลานได้มากกว่าพบของมนุษย์ น, นการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นเหมือนกับการไปสอบเข็นชันในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเขาก็มีจํานวนจํากัดที่จะรับนักศึกษาเข้าไปเรียนหนังสือกันก็เลยต้องมีการสอบคัดเลือก แล้วก็ต้องมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกและผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก<ม>เด็กที่กาลังเรียนอยู่นี้เขาก็จะรู้ถึงความยากง่ายของการที่จะได้เข้าศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน<ม>จำนวนผู้ดวงวิญญาณที่จะมารอรับร่างกายของมนุษย์นี้มีมากมแต่ จำนวนของร่างกายของมนุษย์ที่จะสามารถให้ดวงวิญญาณไปรับมาเกิดได้นี้มีจำนวนน้อยมากและต้องมีอยู่ดวงวิญญาณก็ต้องอยู่ในภาวะที่พ้นจากการไปรับผลบุญผลบาปแล้วด้วย ถ้ายังต้องไปรับผลบุญผลบาปอยู่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมารับรอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเวลาที่เราตายไปนี้ดวงวิญญาณของเรานี้อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้ก่อนก็อยู่กับว่าเราทําอะไรมากกว่ากันถ้าเราทําบาสมากกวบุญ ดวงวิญญาณก็จะต้องไปรับผลของบาปคือไปเกิดในอบายถ้ามาเกิดในภพที่มีร่างกายก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้ไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เพราะว่ากฎแห่งกรรมนี้มีการจำแนกแยกสัตว์กันไว้เป็นระดับต่างๆ ถ้าทำบาปก็ยังมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนให้เป็นเดรัจฉานก่อนให้เกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆก่อนจนกว่าบาปที่ได้ทำไว้ได้หมดลงจึงสามารถที่จะค่อยมารอรับร่างกายของมนุษย์ต่อไปถ้าไม่ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็จะเป็นดวงวิญญาณ ที่รุ่มถูกคุมห่อด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆความความทุกข์ที่เกิดจากความหิวหโหยดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยก็เพราะว่าในขณะที่เป็นมนุษย์นี้ชอบทำบาปด้วยความโลภอยากจะได้อะไรก็แทนที่จะไปทรมาหากินแบบซื่อสัต์สุจริต ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายก็มักจะไปทาผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมเช่นไปโกหกหลอกลวงไปรักทรัพย์ของผู้อื mm ่นขณะตายไปดวงวิญญาณนี้ mm hmm. ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะความร่วมนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอในจิตใจมันจะทำให้เกิดความหิวอยู่เรื่อยๆต่อให้เราได้มากน้อยเพียงไรก็ตาม ได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นอีกได้มากขึ้นไปกว่าเดิมลองสังเกตดูธรรมชาติของความโลภดูเวลาเราได้คืบแล้วเราก็อยากจะได้สอกต่อไปได้สองแล้วก็อยากจะได้วาเวลาที่เราเป็นเด็กๆนี่เราได้ค่าขนมมาเราไม่จีดสตงังเราก็ดีใจแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อย เราก็ไม่พอใจกับค่าขนมที่เราได้แล้วเราอยากจะได้มากขึ้นไปเพราะเราเริ่มเห็นช่องทางในการที่เราจะใช้เงินใช้ทองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรายิ่งโตยิ่งเห็นช่องทางในการที่จะได้สิ่งของต่างๆมาเสพมาสัมผัสมาให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเราเราก็เลยเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้น อยากจะได้เงินทองมากขึ้นได้ถ้าได้ได้เป็นหลักพันแล้วก็ต่อไปก็อยากจะได้เป็นหลักหมื่น mm hmm. ได้หมื่นแล้วก็อยากจะได้หลักแสนหลักรานไปเรื mm ่อยๆไม่มีขอบเขตคนบางคนได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่พอทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ mm hmm. แต่ความโลภมันเป็นอย่างนั้น มันจะสร้างความหิวโหวยต่อการได้เงินได้ทองอยู่เรื่อยๆ แ, และเวลาที่ไม่ได้เงินได้ทองมาก็เกิดความรู้สึกผิดหวังเกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งๆที่เงินทองที่มีอยู่นี้กินไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดู่แล้วแต่มันก็ยังสร้างความทุกข์ใจให้ได้ เพราะว่าความโลภมันไม่มีคำว่าพอนั่นเองแล้วพอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่สามารถไปหาสิ่งต่างๆตามความโลภได้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เลยต้องมาคอยรับส่วนบุญของผู้ที่มีชีวิตอยู่ของญาติพี่น้องของเพื่อนฝูงให้ได้ส่งบุญไปให้เขาได้ เสพได้สัมผัสบ้างเพราะในขณะที Somehow, ่อย <people>? ู่ในโลกทิพย์ที่เป็นดวงวิญญาณนี้สิ่งที่ผู้ที่อยู่ดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์นี้จะเสพกันก็คือบุญนั่นเองบุญนี้เป็นเหมือนสารพัดเหมือนเหมือนแก้วสารพัดนี่สามารถโดนบันดาลความสุขชนิดต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณแต่ละดวงได้แต่ถ้าไม่มีบุญก็จะไม่มีแก้วสารพัดนึกที่จะมาคอยคอยสร้างบุญสร้างความสุขชนิดต่างๆให้ได้เสพได้สัมผัส น, นั่นเองเวลาเราอยู่ในโลกทิพนี้สิ่งที่เราจะเสพได้ก็มีอยู่สองสิ่งด้วยกันความสุขก็ได้จากบุญ ที่เราได้ทำกันแล้วก็ความทุกข์ก็ได้จากบาปที่เราทำกัน <Yeah. S 1> บุญก็จะเป็นเหมือนเก้าสารพัดนกที่สามารถสร้างภาพชนิดต่างๆให้เราได้เส็ได้สัมผัส <Yeah. S 1> ภาพในโลกทิพย์เรเรียกว่า น, นิมิต <Yeah. S 1> หรือถ้อาภาษาภ า, ภาษาของมนุษย์ก็คือความฝันนี่เองความฝัน เชนเวลาที่เรานอนหลับเนี่เราไม่สามารถใช้เงินทองสร้างความสุขให้กับเราได้ในขณะที่เราหลับแต่เราสามารถใช้บุญที่เราได้ทําไว้เป็นผู้สร้างความสุขให้กับเราด้วยการสร้างความฝันที่เป็นความฝันที่ดีที่ทําให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ สิ่งต่างๆที่ที่จิตใจที่บุญเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาให้เราได้เสกได้สัมผัสในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่มีบุญเวลาเรานอนหลับเราก็จะถ้าเรามีบาปไม่มีบุญเราก็จะถูกบาปนี้เป็นผู้สร้างเรื่องราวต่างๆที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัว เรองราวที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากลำบากต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสกันนี่แหละคือลักษณะของโลกทิตที่พวกเราเวลาที่ตายไปจากร่างกายหรือเวลาที่เรานอนหลับนีการนอนหลับกับการตายนี่เหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่ไป หาความสุขหาความทุกข์ให้กับเราเมื่อเรายัางต้องการเสพความสุขอยู่ไม่ต้องการเสพความทุกข์แต่บางทีเราก็ไม่รู้เราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราคิดว่าเป็นความสุขกันเวลาเรานอนหลับเราใช้ร่างกายไม่ได้เราก็ต้องเราอะไรต้องอาศัยบุญหรือบาปที่เราได้สร้างไว้ได้สะสมไว้ในใจของเรา เป็นผู้ที่มาคอยสร้างความสุขหรือความทุกข์ด้วยเรื่องราวต่างๆนี่ด้วยการฝันดีหรือฝันร้ายนี่คือลักษณะของโลกทิพย์ที่เราเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ในโลกของความฝันโลกของแดนเนลมิตเนลมิตโดยบากรือบุญ ถ้าบุญก็ในระมิดในเรื่องที่มีแต่ความสุขถ้าเป็นบาปในระมิดก็จะมีเรื่องแต่เรื่องของความทุกข์ต่างๆนี้แหละเป็นที่มาของดวงวิญญาณชนิดต่างๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะว่ากรรมหรือบุญหรือบาปนี้เป็นผู้จําแนกแยกดวงวิญญาณให้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ บาปก็จะจำแนกดวงวิญญาณให้ไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่ทำว่าทำด้วยสาเหตุอย่างใดถ้าทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตที่มีแต่ความหิวโหยถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเรียก <Le ek S 2> ว่าสุรากายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความทุกข์ของความอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เป็นผลของบาปที่เราทากัน มันจะทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้รูบร้อนไปด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆส่วนถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะเป็นผู้เนรมิตรเรื่องราวต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสเป็นเรื่องราวที่ดีในเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความสุขในรูปแบบต่างๆเช่นได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวได้ไปดื่มได้รับประทานอาหาร ได้ไปอยู่ที่พักอันสวยงามอันรูหรามีเครื่องของใช้ไม้สอยมีเสื้อผ้าอภารรตที่วิจิตพิสดารมีคนที่เราลักเราชอบให้ความสุขกับเราอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นผลงานของของบุญในช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่เราไม่มีร่างกายก็มีอยู่สองช่วงช่วงที่เรานอนหลับ ตอนนี้เรานอนหลับเราก็ทิ้งร่างกายไว้ชั่วข่าวปล่อยร่างกายไว้เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่พาเราไปหาความสุขต่างๆได้ทางตาหูจมูกนิ้วกายช่วงนั้นเราก็เลยต้องใช้บุญหรือบาปเป็นเครื่องมือก็ อ, อยู่กับว่าเรามีบุญมากกว่าบาปหรือ ม, มีบาปมากกว่าบุญแต่มันเป็นช่วงระยะสั้นๆเพราะเรานอนเพียงไม่กี่ชั่วโมง แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาบางครั้งเราจะรู้สึกว่าฝันดีเหลือเกินเมื่อคืนนี้นอนหลับฝันดีไม่อยากจะตื่นเลยเพราะความสุขที่ได้จากความฝันนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการตอนที่เราตื่นบางทีก็ไม่อยากจะตื่นเงินก็มีถ้าถ้าได้ฝันดีๆเช่นฝันว่าไปเป็นมหาเศรษฐีนี่มีความสุขเหลือเกินจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ แต่พอตื่นขึ้นมามาเห็นสภาพที่เป็นจริงของเราว่าเราก็ยังเป็นคนคนเงินเดือนอยู่ยังทำมาหากินได้เงินเดือนต้องดิ้นรนต่อสู้กับ อ, อุปสรรคในการหาหาความสุขต่างๆอยู่บางทีก็ไม่อยากจะตื่นจะได้ซ้ำไปอยากจะนอนต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคน มันตอนนี้ยังอยู่ภายใต้อำนาจของบุญและของบาปเนี่แล้ก็ต้องใช้บุญใช้บาปในช่วงที่เวลาร่างกายของเราตายไปจนกว่าบุญและบาปนี้ไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับจิตใจของเราได้แล้วคือหมายความว่าบุญไม่หมดบาปไม่หมดแต่บุญกับบาปมีกำลังพอๆกันเท่ากัน บุญก็ไม่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้เราได้สัมผัสได้บาปก็ไม่สามารถสร้างเรื่องไม่ดีให้เราได้สัมผัสได้ช่วงเวลานั้น mm hmm. เราก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ mm hmm. เป็นช่วงที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. แต่เราก็ต้องดูคิวของมนุษย์ว่ามีดวงวิญญาณมารอเกิดเป็นมนุษย์กันมากน้อยเพียงไร mm hmm. แล้วก็มีร่างกายของมนุษย์ ที่จะให้ดวงวิญญาณแต่ละดวงเอาไปครอบครองได้มากน้อยเพียงไร mm. ท่านนึงบอกว่าการจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่าย mm. ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ถือว่าโชคมหาศาล mm. เป็นเหมือนกับถูกตตรอตลี่รางวัลที่หนึ่งถ้า mm. mm. นอกจากนั้น นอกจากการจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากแล้วท่านก็ยังแสดงไว้ว่าการได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็เป็นของยิ่งยากกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เสียอีกเพราะการที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกแต่ละครั้งได้นี้จําเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดจะโลคือมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่ต้องบําเพ็ญ บุญบรารมีเป็นนานแสนกับเป็นเวลาอันยาวนานนานจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามีเลขศู์กี่ตัวเป็นเวลายาวนานมากถึงจะมีพระโพธิสัตว์ที่สามารถที่จะมาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เช่นพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่เรารับถือกันในปัจจุบันนี้ ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนี่ท่านก็ต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆมาหลายแสนกลับด้วยกันหลายแสนภพหลายแสนชาติด้วยกันกว่าจะได้มาตัตทะรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้การมาเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้ยิ่งเป็นของยากยิ่งกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ของเราอีกด้วยแล้วถ้าเราเอาของยากทั้งสองอย่างนี้มา มาบวกกันมันก็ยิ่งเป็นของที่ยากยิ่งกว่าขึ้นไปอีกหลายหลายแสนเท่าด้วยกันการที่ได้มามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีนี้ก็เป็นของยิ่งยากมากขึ้นหลายเท่าด้วยกันเกิดเป็นมนุษย์ตามลําพังก็ยากอยู่แล้วการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ยากอยู่แล้ว และการที่ทำให้เราได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าเองหรือได้มาเจอกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมหรือพระอริยสองสาวลงนี้<ม>ก็เป็นของเยิ่งยากขึ้นไปใหญ่<ม>อันนี้แหละคือโชคันประเสริฐโชคอันมหาศารของพวกเราที่พบนี้ชาตินี้เราได้มาได้ทั้งสองอย่างที่หายาก<ม><ม>คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่เป็นของนี่ยากที่จะมาปรากฏขึ้นอยู่ในโลกแล้วก็เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะอยู่ไปได้ไม่นานถ้าเปรียบเทียบพระพุทธศาสนาว่าเป็นเหมือนแสงสว่างาก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างของไม่ขีดเวล า, าที่เราขีดไม่ขีดนี่ก็จะเกิดมีแสงสว่างขึ้นมาให้เรามองเห็นในที่มืดแต่ไม่ขีดมัน มันก็สว่างได้เดียวเดียวไม่ถึงนาทีไม่ขีดมันก็ถูกไหมถูกไฟไหม้หมดไฟก็จะหลับไปนี่ก็คือลักษณะของอายุของพระพุทธศาสนาของพวกเราเมืม่อได้มาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะไม่ได้อยู่ไปตลอดไม่ได้อยู่เป็นแสนกับแสนล้านปี<ม>เหมือนกับความยากของการที่จะมาเกิดแต่ละครั้งเกิดนี่แสนยากแต่ดับนี่แสนง่าย มีอายุไม่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาของการที่จะได้มาเกิดเป็นทพเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมานี้ไม่ใช่เป็นของของง่ายใช้เวลามากแต่เวลาปรากฏขึ้นมาแล้วจะอยู่ในโลกได้ไปไม่นานพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าศาสนาของพระองค์นี้จะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีทนั้นเองแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน ระยะเวลากลางครึ่งครึ่งทางแล้วคือปี 2,567 แล้วถ้าครึ่งทางก็ 2,500 คก<น>ื้มพุทธเกื่มพุทธการเ<น>มื่อปี 2,500 นี้เรามีการฉลองเกึ่งพุทธการควาจริงไม่ควรจะฉลอง<น>ควรจะแสดงความกระตือรือร้นความตนกมากกว่า<น>ว่าพระพุทธศาสนานี่หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวอีกไม่เหลืออีกไม่กี่ปีเดี๋ยวพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากโลกนี้แล้วเราไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆอยู่แบบสบายสบายถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องรีบขวนขวายแล้วรีบขวนขวายศึกษารีบขวนขวายปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่รีบเวลาของเราก็อาจจะบทไปก่อนพระพุทธศาสนาก็ได้นี่ก็มาที่ยากของข้อที่สามสิ่งที่ยากที่เราหายากกันก็คือการมีการดำรงชีวิตของพวกเราเป็นของที่ยากการที่เราจะอยู่ได้แต่ละวันนี้เราจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับอุปะสารต่างๆเราต้องหายใจถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่ ถ้าเราขี้เกียจหายใจเมื่อไหร่เราก็ตายทันทีเราต้องหายใจ เ, เอาลมเข้าอยู่เรื่อยๆนอกจากเอาลมแล้วเราก็ต้องเอาน้ําเอาดินเอาไฟเข้าร่างกายของเราอยู่เรื่อยๆเพราะร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนโรงงานผลิตนั่งผลิตชิ้นส่วนคืออาการ32อาการ32นี้จะผลิตขึ้นมาได้ก็ต้องมีวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ที่ก่ออาการสาสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี้ขึ้นมาได้นี้จําเป็นต้องต้องมีวัตถุดิบวัตถุดิบที่มาสร้างอาการสาสิบสองนี้คืออะไรก็คือธาตุสี่นี่เธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วเมื่อเราได้สร้างอาการสาสองขึ้นมาแล้วเราก็ต้องคอยบํารุงรักษาให้มันอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเป็นที่จะต้องเอา ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้าสู่ร่างกายเราตลอดเวลาถ้าร่างกายขาดธาตุดใดธาตุหนึ่งไปไม่นานร่างกายก็จะหยุดทำงานทันทีเช่นถ้าขาดธาตุลมไปเพียงไม่กี่วินาทีก็ตายได้พอเราไม่มีลมหายใจเนี่ยไม่กี่ไม่กี่นาทีอย่าจ่ายว่าวินาทีบางคนสามารถกัน้นหายใจได้นานแต่เมื่อ ไม่มีลมเข้ามาแล้วร่างกายก็จะต้องหยุดทํางานทันที<อ>การขาดธาตุลมนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายตายได้เร็วที่สุด<อ>ตามมาด้วยการขาดธาตุน้ำ<อ>ถ้าร่างกายขาดธาตุน้ำเมื่ไอไหร่เดี๋ยวไม่กี่วันร่<อ>นางกาย ก, ก็แห้งขึ้นมาตายไปต่อมาขาดธาตุไฟไม่ได้ถ้าเราไปอยู่ในที่มันหนาวที่มีแต่หิมะนี่ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือหมป้องกันไม่ให้ความธาตุไฟนี้ออกจากร่างกายเราไปนี้เราก็จะแข็งตายได้ทันทีแล้วถ้าเราขาดธาตุดินนี้อันนี้ก็นานหน่อยข า, ขาดอาหารข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปนี้ส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยจากธาตุดินน่เองเป็นการเอาธาตุดินทอดสู่ร่างกายร่างกายนี้เราอดอาหารได้หลายวันเช่นพระพุทธเจ้าเคยอดถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกัน ไม่รับประทานอาหารไม่เอาธาตุดินเติมเข้าไปอาศัยธาตุดินที่มีสะสมไว้ในร่างกายก็ค่อยๆถูกถูกกินถูกทำลายไปจน ก, กระทั่งเนื้อหนังมังสาร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะธาตุดินต่างๆร่างกายมันก็เอาไปใช้หมดถ้าไม่ได้กินต่อไปร่างกายก็ต้องตายลงไปาการดารงชีวิต ของมนุษย์นี้ก็เป็นของที่ยากแต่ละคนนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานไม่เท่ากันบางคนก็ตายตั้งแต่เกิดมาเลยก็มีพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตายได้บางคนก็อยู่ได้ถึงเดือนหนึ่งบ้างถึงปีหนึ่งบ้างถึงสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างมีคนตายได้ทุกอายุเลย เพราะการดำรงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่เป็นของอัตโนมัติว่าถ้าเกิดมาแล้วจะอยู่ได้ถึงร้อยปีนี่มนไม่มีมันไม่มีกฎตายตัวคนที่จะอยู่ได้ไปนานๆ น, นี้ก็มีน้อยกว่าคนที่จะตายไปที่จะตายเร็วดังนั้นการที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นี้ก็เป็นของยากก็ถือว่าเป็นโชคคาลาบันอันยิ่งใหญ่ของเรา ที่ตอนนี้เรายังยังมีชีวิตอยู่เราจึงไม่ควรที่จะลืมคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นี้เพราะถ้าว่าเราไม่มีชีวิตเมื่อไหร่โอกาสที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะไม่มีเลยโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้ ถูกกักขังอยู่เป็นเวลาอัยาวนานนี้ก็จะหมดไปเราก็จะต้องติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปอยู่เรื่อยๆ ไ, ไม่มีวันที่ไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้เป็นสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากข้อที่สมก็คือการมีดำรงชีวิตอยู่ได้พเราก็ถือว่าโชคมีโชคที่เรายังมีชีวิตกันอยู่ แล้วเราจะใช้ชีวิตของเราให้ไปแดนทิศทางไหนดีถ้าเราใช้ชีวิตเพื่อไปสร้างภพชาติให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราต้องเอาเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจิตใจของเราเพื่อปลดเปื่องใจิตใจของเราให้หลุดออกจากกองทุกข์ให้ได้ เราก็ต้องเอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถ้าเราไปใช้กับภารกิจอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็มาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นยากข้อที่สี่ก็คือการมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นวันนี้เรามีวันหยุดกันอ แต่คนส่วนใหญ่นี้ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันเพราะเขาถูกอํานาจของความหลงโมหะอาวิชชาหลอกให้เขาไปหาความสุขปลอมกันหาความสุขที่จะกักขังให้เขาติดอยู่ในคุกตารางแห่งการมีว่าตายเกิดต่อไปนานๆก็คือหลอกให้เขาไปหาความสุขจากการเสดรูกเสียงกิริยลดผลทพะชนิดต่างๆนั่นเอง ใครที่วันนี้กำลังไปหาความสนสนานกับการเสพรูปเสียงกยลิ่นรสไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูไปฟังมหัศลศพบันเทิงไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอันนี้เป็นการถูกหลอกให้ไปหาความสุขที่จะกัดขังให้เราติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ความสุขที่ได้จากการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นตอนี้เปรียบเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนีหยื่อ <Yeah. S 1> ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้มันเวลาเราตาเห็นเข้ามันก็คิดว่าเป็นอาหารนันโอชะ <Yeah. S 1> มันก็ไปฮุปเบเหยื่อทันที <Yeah. S 1> แต่มันไม่รู้ว่าที่ภายในในเหยื่อนี้มีมีตะขอเบ็ดซ่อนเลนอยู่พอ <Yeah. S 1> ไปฮุปเบเหยื่อก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก yeah. แล้วคนที่มาตกปลาก็จะดึงปลาที่ติดเบ็ดนี้ขึ้นไปทําเป็นอาหารต่อไป mm hmm. ผู้ใดที่ติดอยู่กับความสุขทางโลกทางโลกธรรมหรือทางลาบยศสารเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ก็เหมือนเป็นปลาที่ไม่ฉลาดปลาที่เห็นเหยือ่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแล้วคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปตะคุบเหยือ่อไปฮุบเหยื่อขึ้นมา ก็จะถูกตะขอเบ็ดตะขอเบ็ดที่จะเกี่ยวใจนี้ให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถ้าเราไปเสพความสุขของโลกธรรมเออลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเราก็จะติดกับการเสพความสุขแบบนี้เราก็จะเสพไปเรื่อยๆเช่นเราติดถ้าเราเรา เราอยากได้ลาบเราก็ต้องไปหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ล้านล้วก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราติดถ้าได้ยศก็อยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นเป็นนายสิบต่อไปก็อยากจะเป็นนายร้อยได้นายร้อยก็อยากจะได้เป็นนายพันได้นายพันแล้วก็อยากจะได้เป็นนายพล อยากได้นพลแล้วก็อยากจะได้เป็นจอมอจอมพลเป็นต้นมันนี่ไม่มีสิ้นสุด น, นะของเหล่านี้มันจะหลอกให้เราติดอยากให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้ยศแล้ว ก, ก็อยากจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้สรรเสริญก็อยากจะให้เขาสารเสริญอยู่เรื่อยๆเช่นได้รางวัลปีนี้ได้เหรียญทองปีหน้าก็อยากจะได้เหรียญทองอีก<ว>อยากจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดถ้าถ้าสามารถ หามาได้ก็จะไม่อยุดหากันเช่นเดียวกับการติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราติดกับอะไรเราก็อยากจะไปเสพสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆเราติดภาพยนตร์เราก็จะดูภาพยนตร์อยู่เรื่อยๆติดละครก็อยากจะดูละครอยู่เรื่อยๆติดช้อปปิ้งก็จะไปช้อปปิ้งอยู่เรื่อยๆติดเที่ยวก็จะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็จะทําให้เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้ว ความอยากที่จะเสพโลกธรรมมันไม่หมดเนี่ยไอ้ตัวความอยากตัวนี้แหละที่จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่มารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่ในภพที่จะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหนาแลวพอเราได้ร่างกายก็้มารับเราก็จะต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายนะ mm hmm. เลี้ยงดูร่างกายต่อสู้ป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามร่างกายของเรา แล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่ต่ออีกรอบหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่รู้จักคุณค่าของพระธรรมำคําสอนว่ามีไว้เพื่อที่จะมาช่วยเราให้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราถูกความหลงหลอกว่า การที่เราจะมีความสุขเราต้องไปเสพโล ก, กธรรมสิเราต้องมีราบยศสรรเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆนั่นเองมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันงนั้นการที่จะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนี้จึงไม่ใช่เป็นของง่ายต้องเป็นของคนที่เคยสร้างบุญสร้างบา ร, รมีมาก่อนคนที่เคยได้สัมผัส เอาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมาก่อนจะนั่งตามสบายนะถ้าถ้ามันเปียกก็ข่อหยาบได้แต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็หยุดฝนนี้เป็นฝนฝนตรอมไม่ใช่ฝนจริงฝนท ด, ทดสอบจิตใจว่าจะนิ่งหรือไม่นิ่งถ้าใจนิ่งก็แสดงว่าสอบผ่านไปกลัวฝนทำไมฝนมันไม่ทำร้ายเราซะหนัก กัวเปียกหรอือเดี๋ยวก็ต้องเปียกกันทุกคนเดี๋ยวก็ต้ อ, อบน้ํนาั่งกายก็ต้องเปียกกันเสื้อผ้าก็ต้องเอาไปซ่าถุยดีมันก็ต้องเปียกอยู่ดีมันไม่มันไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรกับฝนสองสามเมตรท่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเปียกกันสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขกับการฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่ามไม่ต้องไปกังวลลเรื่องของร่างกายนี้เดี๋ยวก็เปียก เดี๋ยเยนนี้กลับบ้านก็ต้องอาบน้ํากันเสื้อผ้าที่เราใส่เดี๋ยวก็ต้องเอาไปซักกันอยู่นี้มันไม่เป็นมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรความเปียกดีเสีกมันจะได้ทําให้เย็นสบายเหมือนเทวดาประพรมน้ํามนต์ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ตกลงมาแบบโอ้เป็นหา่านี้ก็ไม่ต้องไปกัวงวนละถ้าฝนตกแรงๆก็แสดงทำไม่ได้ถ้าฝนตกหนักเสียงดังมากเราก็หยุดแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิกันต่อไป เอาเวลาที่ว่างในวันนี้มาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตามทำข้อที่สี่ที่เป็นของที่หายากก็คือการที่เราจะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนี่เป็นของที่หายากมากน้<ม>องสังเกตดูว่าปีหนึ่ง<ม>นี่เราเอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมได้สักกี่ชั่วโมงได้สักกี่วันกันถ้าเราไม่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรม โอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาและได้ได้มีชีวิตอยู่นี้จะได้ประโยชน์น้อยมากถ้าเราไม่สามารถดึงเอาเวลาต่างๆที่เราไปใช้กับการสร้างพบสร้างชาด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆนี้ถ้าเราไม่ดึงเอาเวลาจากกิจกรรมเหล่านี้มากระทา เราจะมีเวลาไม่มากพอในการที่เราจะได้ใช้ในการศึกษาใช้ในการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หายากคือเวลาที่เราจะได้มีให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติลองทบทวนดูสิตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติทักกี่วันกี่ กี่เดือนกันแล้วเราให้เวลากับการไปสร้างพบสร้างชาติด้วยการกระทาตามความอยากต่างๆนี้มากน้อยเพียงไรจะเห็นชัดเลยว่าเรานี้ให้เวลากับการสร้างพบสร้างชาติมากกว่าการให้เวลากับการตัดพบตัดชาติ mm hmm. ก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง นั้นสาเหตุที่เรายังไม่เห็นคุณค่าก็เพราะว่าเราไม่ศึกษากันเราไม่เราไม่ตั้งใจเรียนกันถ้าเราตั้งใจเรียนกันจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าไม่มีคําสอนดันอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนต่างๆที่เราเรียนจากโรงเรียนต่างๆนี้คุณค่าของมันก็คือมันช่วยทําให้เรามีความรู้ที่จะไปทำมาหากินได้สะดวกขึ้นเท่านั้นเอง ประโยชน์ที่เราได้จากความรู้ของทางโลกก็คือเราก็จะได้มีความสามารถในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองหาเงินหาทองมาดูแลร่างกายของเราและมาสร้างสร้างภพสร้างชาติด้วยการเอาเงินทองที่เราหามาได้นี้ไปทำตามความอยากต่างๆซึ่งเป็นการผูกบังคับให้เราติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดให้ยาวนานขึ้นไปเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจของพวกเราเลยไม่ได้ทําให้ภพชาติของเราตัดน้อยลงไปเลยอย่างใดความรู้ต่างๆที่เราเรียนรู้ในของทางโลกนี้มันจะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปหมดเพราะเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดเราก็จะเอาความรู้ความฉลาดนี้ไปทําอะไรเพื่อจะได้หาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆที่ที่กิเลสตัณหาอยากได้แล้วการไปทําตามกิเลสตัณหาก็เท่ากับการไปเสริมภพเสริมชาติไปเพิ่มภพ เพิ่มชาติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองไม่ได้ตัดภพตัดชาติแต่อย่างใดเพราะการที่เราจะตัดภพตัดชาติได้นี้เราต้องตัดที่ตัดกิเลสนี่แหละตัดกิเลสตัณหาตัดความโลภตัดความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปตามลำดับแลาการที่เราจะตัดความโลภความโกรธความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปได้เราก็ต้องรู้จักวิธีตัดวิธีที่เราจะตัดก็คือวิธีของพระพุทธเจ้านี่ที่เรายังไม่รู้กัน เราก็ต้องมาศึกษากันมาเรียนรู้กันเมื่อเราศึกษามากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีคําสอนใดในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้อย่างจริงจังช่วยให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่จะช่วยให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเสียมากกว่า ความรู้ต่างๆทางโลกยิ่งเรียนยิ่งสูงยิ่งมีความรู้ความฉลาดในการหาเงินหาทองมากขึ้นหาราบหายดหาสารเสริญได้มากขึ้นมัน mm hmm. ก็เลยยิ่งไปทำให้สร้างพบสร้างชาติให้มีมากขึ้นไปใหญ่ mm hmm. ไม่ได้ตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไป mm hmm. เพราะเพิ่มกำลังของความอยากของกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราได้ได้ศึกษาคาสอนอย่างจริงจัง แล้วเกิดความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้ศึกษาและได้ไปและได้ปฏิบัติตามคําสอนแล้วเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าเป็นมีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะถ้าเราเราได้เรียนรู้แล้วเราก็นํามาไปปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้เริ่มตัดกิลเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไป เอาความโลภความอยากน้อยลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะน้อยลงไปจำนวนของภพชาติที่จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไปถึงจุดที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้เลย <S S S ดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรพยายามศึกษาให้มากขึ้นศึกษาให้บ่อยๆ และต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องก็คือควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกในเบื้องต้นศึกษาพระเทศนาพระธรรมเทศนาหรือพระพระสูตรที่สำคัญต่า ง, างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้เช่นศึกษามงคลลสูตรเนี่ยมงคลสามสข้ออันนี้เป็นขั้นตอนของการดำเนินการให้เราได้หลุดออกจากองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด มงคลสาสบแปข้อนี้เป็นเหมือนกับขั้นที่หนึ่งให้ทําอย่างนี้ขั้นที่สองให้ทําอย่างนี้ถ้าเราทําตามได้ทั้งสาสบแปข้อเราก็จะสามารถหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดได้พอเรารู้มงคลสาสิบแปแล้วทีนี้เราก็ไปปฏิบัติตามมงคลสาสิบแปก็ได้แล้วถ้าเราไปติดขัดที่ตรงไหนเราก็ไปหาผู้รู้ไปศึกษากับพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความฉลาดครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมงคลสามสิบปดมาจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการมีว่าตายเกิดแล้วถ้าเราได้พบกับครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านก็จะสอนให้เราเวลาที่เราติดขัดเวลาที่เราสงสัยขั้นใดขั้นหนึ่งว่าขั้นนี้จะต้องทำอย่างไรท่านก็จะสอนบอกให้ทําอย่างนี้เป็นขั้นที่หนึ่งท่านสอนว่าอย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิต คนพาลคืออะไรคนพาลก็คือคนโง่คนไม่ฉลาดคนไม่รู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรเรียกว่าคนพาลคนฉลาดก็คือคนที่รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด น, นี้คืออะไรก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆความอยากหาความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่ประการอยากได้ความสุขจากลาภยศสารเสริญ อยากได้ความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัสชนิดต่างๆอันนี้แหละเป็นตัวที่จะมาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราติดทุกติดตลราของการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเบื้องต้นเราต้องรู้จักคบคนรู้จักพบกับคนที่เขาฉลาดกว่าเราเพื่อที่เขาจะได้สอนให้เราไดา้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรกันแนะ่ เราเป็นนักโทษหรือเราเป็นผู้อิสระถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแนละ้วเราก็จะรู้ว่าอเรายังเป็นนักโทษกันอยู่เรายังติดคุกติดตารางของสังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วถ้าเราอยากจะออ ก, ออกจากคุกจากตารางนี้เราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราคบกับค น, นของเขาเขาก็ไม่รู้วิธีเขาก็จะสอนให้เราไปทำในสิ่งที่จะทำให้เราติดคุกติดตารางนานขึ้นไปคือไปทาตามความอยากให้มากขึ้นไป ให้หาเงินมากขึ้นให้หายศษหาตำแหน่งให้สูงขึ้นให้หารางวีรางวัลต่างๆให้มากขึ้นให้หาความสุขจากลูกเสียงกินลดเพราะเขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์กันแต่มันไม่ได้เป็นการวิธีพ้นทุกข์แต่เป็นวิธีการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราพบกับบัณฑิตบัณฑิตคนฉลาดเนี่ยคือใครใคนฉลาดที่แท้จริงในในโลกนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอง พระพุทธเจ้าหรือพระอริยรสงสารของพระพุทธเจ้า น, นี่เป็นคนที่ฉลาดจริงๆคนที่รู้ความจริงของชีวิตของพวกเรารู้สถานภาพของพวกเราทุกคนว่าเรากําลังเป็นอะไรกันอยู่รู้ว่าเรากําลังเป็นนักโทษที่เวียนว่ายตายเกิดในคุกตารางของสังสารวัฏในภพน้อยภพใหญ่แล้วรู้ด้วยว่าสาเหตุที่ทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในคุกตารางนี้เกิดจากอะไร ถ้าเกิดจากความอยากหาความสุขจากโลกธรรมนี่อากหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรถพุทธะอยากจะหาความสุขจากราบยศฉารเสด็จถ้าเราอยากจะออกจากคุกนี้ไปเราก็ต้องหยุดการหาความสุขเหล่านี้แล้วเปลี่ยนไปหาความสุขแบบที่ไม่ที่เราไม่ต้องมาติดคุกกันความสุขที่จะทําให้เราไม่มาติดคุกกันก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติ สตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลธ้าพระมาให้ความสุขกับเรา mm hmm. เราก็ต้องมุ่งไปที่การปฏิบัติให้ได้ mm hmm. ถ้าเรายังมีเงินมียังใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือดับความทุกข์อยู่เป็นเครื่องมือให้สร้างความสุขให้กับเราอยู่เราต้องเลิก เพราะว่าเงินทองนี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ให้ให้กับเราไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่กลับจะทําให้เราติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่าี้เลยนั่นกต้องเลอกใช้เงินเลือกหาเงินกันแล้วก็ไปบวชกัน mm hmm. ไปอยู่แบบนักบวช mm hmm. พอเป็นนักบวชแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการหาเงินหาทองเรื่องของการใช้เงินใช้ทงองเพราะเราจะใช้วิธีหาความสุขอีกวิธีหนึง่ง วิธีที่ไม่ต้องใช้โล ก, กธรรมทั้งสี่ก็คือวิธีของการทําใจให้สงบเราก็จะไปบวชถือศีลถือศีลเพื่อยับยั้งการไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญสุขกันแล้วก็มาเอาเวลาที่เคยไปใช้กับการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขนี้มาให้กับการวิธีหาความสงบของใจโดยการพยายามเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ ใจจะสงบใจจะนิง่งใจจะสงบใจจะเกิดความสุขจากความสงบได้ต้องต้องทำใจให้นิ่งให้ได้และการที่จะทำใจให้นิ่งให้ได้ต้องหยุดความคิดให้ได้และสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสติก็คือการละเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งจช่นละเลอกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้านว่ก็พุทธานุสติ เราเลึอกอยู่กับพระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธถ้าเราคอยท่องพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราทําพุทโธบ่อยๆมากๆขึ้นต่อไปความคิดมันก็จะหยุดลงไปได้พอหยุดแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสรรเสริญสุขกัน พอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดหาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าราบยศสรรเ ส, สริญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเ<อ>มื่อมีการเจริญราบแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสรื่อมราบตามมาเมื่อมีการเจริญยศแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมยศตามมา เมื่อมีสรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีนินทาตามมาเมื่อมีความสุขจากลาบจากรูปเสียงกลิ่นลดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นลดตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันจเจริญได้เวลามันจเจริญมันก็ทําให้เราเกิดความสุขกันเวลามันเสือ่อมเวลามันดับเวลามันหมดไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเรามีเงินมีทอง เวลาที่เรามีเงินทองใช้ใจ่ายซื้ออะไรก็ซื้อได้ตอนนั้นเรามีความสุขกันแต่พอเงินทองหมดแล้วทีนี้จะทำอย่างไรไม่มีเงินไม่มีเงินใช้นะตอนนั้นแหละความทุกข์ก็จะตามมาทันทีเคยมียศมีตําแหน่งนะพอถูกเขาปลดพออายุครบหกสิบ 60, เขาก็ปลดจากการเป็นนายพลนายพันนายหมื่นนะตอนนั้นก็ไม่มียศไม่มีตําแหน่งอะไรตอนนั้นก็เศร้าเหงาหงอยเ ป, เป็นประชาชนธรรมดา ตอนที่มีคนห้อมล้อมคอยยกย่องสรรเสริญคอยรับใช้ก็มีความสุขพอเราไม่มีลาบไม่มีย้อนแล้วเขาก็ทิ้งเราไปเราก็กลายเป็นคนเศร้าสร้อยหงอยหเหงาไปคอยเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขกับเราวันดีกินดีรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยเสพมันก็หมดไปได้หายไปได้พอมันหายไปหมดไปอะไรที่จะตามมาก็คือความทุกข์ใจความเสียใจนี่เราต้องเห็นด้วยปัญญา ว่าสิ่งที่เราเสพกันทุกวันนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนลาบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นของไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งมันก็จะมีวันที่หมดไปได้เปลี่ยนไปได้สิ้นสุดลงได้เวลานั้นมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพลาบยศสรรเสริญสุขกันให้มาเสพกับความสงบกันความสงบที่เกิดจากการละความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี่ พอเราละความอยากจะเสดลอกเสียงกิเลสได้ใจของเราก็จะนิ่งสงบมีความสุขมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสารสนุสุขพระเจ้าทรงตัดว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีสุขใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสันติประังสุขขังรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงการที่จะเข้าถึงลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงได้เราต้องมีเครื่องมือ เราต้องมีศีลต้องถือศีลนักบวชศีลแปดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องมีส ต, ติเพื่อทําใจให้สงบให้นิง่งให้ปล่อยวางความอยากไวหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาเราเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้หยุดความอยากพอเราเห็นว่าการทําตามความอยากจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์เราก็หยุดอยาก พอเราหยุดอยากความอยากหายไปจากใจใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรอันนี้แหละคือความสุขของพระนิพพานเมื่อเราได้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมอันถึงเรียกว่านิบบานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขนั่งเพราะเป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อม ไม่อยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังทุกขงังอนั้ตานี่แหละคือเวลาที่เราครที่เอามาใช้กับกับชีวิตของพวกเราก็คือให้เอามาใช้กับการศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราจะได้รับประโยชน์สุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวทราที่ทาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวีกต่อไป เราก็จะได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือเรื่องของเวลาที่เราควรยาวมาใช้กันเช่นวันนี้เป็นวันที่เราเป็นวันกำไรบุญ<ม>เพราะเราจะได้มีเวลาเพิ่มจากปกติถ้าไม่มีวันหยุดเฉยๆวันนี้เราก็ต้องไปทำงานกันแต่วันนี้เราฉลาดเรามีวันหยุดมีเวลาว่างเราก็เลยมาศึกษาธรรมะกัน พอเราศึกษาแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปก็ควรจะรีบนํามาไปปฏิบัติกันเพราะเวลาของชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ังนั้นย่าประมาทพยายามตือนถามตนเองอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไ ป, นไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรากําลังทําตามคําสอนของกิเลสตัณหาถ้าทําตามกิเลสตัณหาก็ต้องรีบหยุดทันที ยูเทิร์นนอกจากมาทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพ ร, พระพุทธเจ้านี้จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงต่อไปการแสดงธรรมสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปูราปาวิโกเรนติสากะลัง เอวามิวาอโตทินังเปตานังอุปการปติกิจิตังปฏิตังตุมหังทิพมวาสัมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิจโตราโสยธาสัพพิตโยวิวัจฉันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตผวะตวันตารายสุขีทีขาโยโกผวะอภิวะธนสิลิศานิจังุทธาปจายินจัตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันุสุขามภาลัง<ะ>ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม มีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กลาบมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมมาทางเฟ e b o o k พระอาจารย์ห้ารอยหกสิบเก้าท่านทาง y o u t u สามร7อยสาสิบเจ็ดท่านทางด r b c h a n ร e l ีชานห้าสิบเก้าท่าน กราบเ o ้าเจ็ดท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านผู้รับฟังธรรมะ น, นาคุติหนึ่งร้อยี่สิบเก้าท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะมีคำถามก็เชิญเจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะ น, นาคุติเจ้าค่ะมีสองคำถามกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำถามที่หนึ่งคุณพ่อเพิ่งเสียชีวิตไปครอบครัวเป็นมีเชื้อสายจีนส่วนมากคุณแม่จะไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าอยากขอกราบถามพระอาจารย์ว่าคนในครอบครัวที่มีชีวิตอยู่จะสามารถทำบุญด้วยวิธีไหนที่สามารถส่งบุญกุศลให้คุณพ่อได้ตรงและมากที่สุดเจ้าค่ะก็บริจาคเงินให้กับองค์กรเงินใดก็ได้ บริาจาคให้กับวัดก็ได้โรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้สถานสงเคราะห์ต่งางๆก็ได้ทำแล้วก็สามารถอุทิศบุญได้เลยคำถามข้อที่สองการที่เราสละทรัพย์บริจาคบริจาคทานเป็นบุญที่สามารถอุทิศให้ผู้ร่วงลับได้ไหมเจ้าคะได้เป็นบุญอย่างเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าสอนให้ให้อุทิศให้กับผู้ล่วงลับก็คือการทําบุญทําทาน คำถามจากผู้รับฟังธรรมะทางยูทูบเจ้าค่ะการถวายปัจจัยหรือทาบุญใดๆถ้าเราสามารถนำเงินไปทาบุญในที่ที่เราอยากทําได้แค่อาทิตย์ละครั้งแต่ทุกวันเราค่อยๆเก็บเงินนั้นและรู้ว่าเงินตรงนี้ จะทำไปทําบุญในทุกสัปดาห์บุญจะเกิดตั้งแต่ตั้งใจเก็บเงินนั้นซึ่งก็คือการได้ทําทานทุกวันหรือบุญจะเกิดก็ต่อเมื่อเงินนั้นถูกส่งไปถึงที่ที่อยากทํานั่นคือได้บุญแค่ทิตละครั้งเจ้าค่ะก็มันก็ยังไม่ได้สําเร็จเพราะมันยังอยู่กับเราอยู่ ซึ่งาอาจจะเปลี่ยนใจวันใดวันหนึ่งขึ้นมาว่าอมีความจําเป็นจะต้องไปซื้อของขอยืมเงินทําบุญไปก่อน <c oughs> มันก็ยังไม่สําเร็จแต่ก็ดีเพราะอย่างน้อยเราได้เตรียมการเก็บเงินเก็บทองไว้เพื่อทําบุญถ้าเราไม่ทําวันลเล็กวันน้อยเก็บไว้ก่อนเวลาเราไปทําบุญทีอาจจะทําไม่ได้มากเพราะเราจะเสียดายเงินก็โอ้เยอะเหลือเกินนี แต่ถ้าเราทําไปเจ็บไปเรื่อยๆเส้นใส่ยกับส่เงินไม่ได้กับปลุกแล้วแล้ว อ, ออกมาไม่ได้เงี้ยมันก็จะได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลเพราะมันยังไม่สําเร็จร้อยเปอร์เซ็บุญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้สละสิ่งนั้นไปจากเราแล้วไม่ได้เป็นของของเราแล้วมันก็จะเกิดบุญขึ้นมาแต่ก็จะว่า แต่ว่าได้บุญก็ได้ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะยังไม่ได้เต็มร้อยก็แล้วแต่บุเชิาค่ะคำถามจากทางช่องด็กเตอร์วีชาแนลจากคุณใบ ย, ยกค่ะลูกไม่ได้นั่งสมาธิมาสี่วันเพราะถบ้านมีรำพุงเสียงดังมากเจ้าค่ะ บริกรรมระหว่างวันก็ได้แค่เป็นช่วงๆเวลาสี่วันกิเลสทุบ ป, ประตูบึ้มๆออกันอยู่ตรงหน้าประตูมีเล็ดลอดเข้ามาได้บ้านเจ้าค่ะเหตุใดคนที่หันมาทางนี้จึงละทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เลยเจ้าขาละทิ้งการปฏิบัติไม่ได้เจ้าค่ะก็เหมือนกับเป็นเป็นที่พึ่งการปฏิบัติก็เป็นที่พึ่งของใจ เวลาได้ปฏิบัติแล้วใจก็เย็นสบายความทุกข์วุ่นวายใจก็น้อยลงเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจมันก็จะมีมากขึ้นมันก็เลยทําให้ทิ้งไม่ได้ถ้าเราต้องการความสงบต้องการความสบายใจคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะ กราบนมัสการพระอาจารขอกราบเรียนถามว่าเราจะสังเกตจากอะไรว่าเราสามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วครับก็คือเราไม่ทุกข์กับร่างกายได้แล้วร่างกายจะเจ็บเป็นโรคมะเร็งเราก็ไม่เราก็ไม่ตื่นเต้นมิตกกังวลเราก็รู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่น mm hmm. ถ้าเราแยกได้เราจะมองร่างกายของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น mm hmm. คนอื่นเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยเพราะ มันมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราร่างกายก็เหมือนกันร่างกายก็มันเรื่องของร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใจซึ่งเป็นเราเราเป็นใจเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็เฉยเฉยไปเจ้าค่ะคําถามจากคุณขวัญซีเคถ้าแม่ป่วยด้วยโรคผิวหนังต้องหาหมอ เจ้าของจําเป็นต้องขังไว้เพื่อป้อนยาและพาไปหาหมอแบบนี้จะถือว่าทรมานสัตว์ไหมคะต้องทําอะไรนะแมวป่วยเจ้าค่ะเป็นโรคผิวหนังต้องขังเสรล้วว่าะจะเป็นการทรมานสัตว์ไหมใช่ไหมไม่เราเป็นการรักษาก็เวลาเราไม่สบายเราก็เข้าห้องไอซก็เหมือนถูกขัง <c oughs> ปล่อยไปที่อื่ไม่ได้จวตายก็ต้องขังไว้ก่อนขังไว้เพื่อรักษาให้หายก็หายแล้วก็ปล่อย ถ้าหายแล้วไม่ปล่อยนีย่ถึงเรียกว่าเป็นการกลับคังาคำถามยังไม่มีมาเจ้าค่ะ yeah. มีชาวลินโดอยากจะถามบางถาน mm hmm. Intend you want to ask question now you can come and ask if you want yeah uh, microphone okay come here here go in the microphone is Stay close to the microphone. h yeah. uh, Thank you, p r a Chan, for this opportunity. Uh, I want to ask: when I meditation, uh, suddenly I cannot feel my breath, and uh, naturally I push my breath to stronger and stronger, and At that time, I think I cannot uh, breathe, and uh, I'm very, very tired and uh, very hard to breathe. This is a wrong, wrong way to meditate. The, the way we use the breath is just to keep watching it. Don't force your breath. Don't control your breath. Mm -hmm. Leave your breath alone. Just keep watching it. So how when I feel uh, I I cannot feel my breath? Then just just be aware that you cannot feel your breath, and just keep watching at the same point. Uh -huh. Watch the emptiness of breath instead. Uh -huh. But at that time I I'm scared. If you're scared, then you may you you have to use bhuto bhuto mm -hmm. to stop your your fear. r you e c i e bhuto bhuto bhuto. Or tell yourself that you're not gonna die because you cannot feel your breath mm -hmm. because your breath is very, very slow, very mm -hmm. subtle, and you cannot, cannot feel it. But it doesn't mean that there's no breathing. Mm -hmm. okay. Nobody dies from meditating, watching the breath. So don't worry mm -hmm. about it. Just be mindful and keep your mind calm. Just keep watching. Mm -hmm. Keep watching your reaction to the situation. Whether you are afraid or you try i n g to do something, you have to stop every reaction. Okay. Just just be merely watching, just like before when there there was breath. Mm -hmm. Just keep watching. So there's no breath. You also you also keep watching that there is no breath. Mm. That's all. And then if you can focus or watch, maybe not long enough. Your mind will suddenly stop and become peaceful and calm. Mm. Okay, thank you for that. Uh, the second question is about fasting. Now I can uh, fasting for one day. Uh, for the another step, uh, can I uh, practice for fasting for two days? Yes, you can practice as many days as you want if your body is not affected by your fasting. Mm -hmm. But if your body start to become affected, maybe you get stomach ache or something, mm -hmm. then maybe you have to stop and come back and eat. But if the if the body act normally, mm -hmm. not don't get sick, then you can continue fasting as long as you like. Okay. So when I uh, practice uh, fasting for two days, uh, it means I fasting for two days and eating for two days, or I fasting for two days and eating for one days. You can choose the formula you like. Mm, okay, thank you f o r that. Whichever time. method that makes you practice better. Mm. The goal is to use your fasting to support your meditation practice. Mm -hmm. the, the fasting itself is, is not the practice of meditation. It's just a support. Mm -hmm. It helps you practice better. It prevents you from getting lazy, getting sleepy. Because normally, if you eat, you will become lazy, you mm -hmm. become sleepy. So instead of meditating, you'll be sleeping instead. Mm -hmm. So when you're fasting, your mind become alert and hungry. So you cannot go to sleep or feel drowsy. Mm -hmm. Uh, so for for now, I uh, cannot uh, sleep for four hours a day. I think uh, a day I I sleep uh, about uh, six hours. It means my mindfulness is not stronger. You mean sleeping? Yes. It, I don't know the reason why, but it doesn't matter how many hours you sleep. It depends on the need of your body. If your body is very tired, you will sleep longer. It was not tired. Mm -hmm. It was sleepless. Mm -hmm. So, n o don't worry about the sleeping. Okay. The less you sleep, the better. Okay, thank so you. So you have more time to meditate. Mm -hmm. okay. okay. Okay, thank you, Prachan. มีคำถามจากคุณสุดใจเจ้า a ่ะ อยากถามว่าถ้าคนที่ยากจนมากๆไม่มีแม้แต่เงินทําทานบริจาครั์เลยแต่ใช้แรงในการทําจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ในชาติหน้าเราเกิดมาอีกเราจะมีฐานะดีไหมคะหรืออยู่ที่เราตั้งจิตอธิฐานในความดีที่เราได้อย่าได้ลาบากยากจนแบบนี้อีกได้ส่งผลไปถึงทุกๆ ท, ท, ทุกชาติเจ้าคะ ก็<ม>เราก็จะมีคนมาช่วยเราทุกภพทุกชาติถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นรับใช้คนอื่นพบหน้าชาติหน้าก็จะมีคนอื่นมารับใช้เรามาช่วยเหลือเรามีคําถามจากคุณชาติชายเจ้าค่ะการทําบุญโดยวิธีใดที่ทําให้บุญถึงบิดามารดาที่ร่วงรับไปแล้วได้มากที่สุดครับก็ทําทได้เพียงแต่การอุทิศบุญดิทำบุญทําทานแล้ว<ม>อุทิศบุญ นอกจากว่าถ้าเรามีอภิน ญ, ญาเราสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้เราก็ไปสอนธรรมะให้กับมารดาเหมือนพระพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องรู้เราก็ต้องมีธรรมะด้วยมีอภิญยาด้วยสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ที่ลงลับไปได้เราก็สามารถเอาธรรมะไปสอนเขาได้อย่างพระพุทธเจ้าก็สอนพุทธมารดาจนบรรลุเป็นท้าโสดาบันขึ้นมาได้ คำถามจากคุณวิไยรัตกว้างนอกจะทำอย่างไรถึงจะสลัดทุกสิ่งออกบวชได้เจ้าคะก็ไปเลยสิทำไงง่ายจะตายไปเขียนจดหมายลาเวลาตายเราตายเขากระโดดตึกตายนะแต่ไม่ได้เป็นตึกจริงๆนะตึกของกิเลสตัณหา <c oughs> <c oughs> <p ric an> เพื่อไ่อยู่ไ้ปฏิบัติเนี่ย อที่เราตัดสินใจนะถ้าตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็ไปได้เหมือนกันถ้าไม่กล้าตัดสินใจก็ไปไม่ได้นทนทีถ้าก้าวกลัวๆสองจิตสองใจมันก็ไปไม่ได้มันต้องใจเด็ดใจเดียวเอาวะไปทางนี้เลยก็ยตายดาบหน้าเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปมันก็ไปได้ คำถามจากคุณดิมเพิร์โอเอขอากากรกลับเรียนถามเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ลูกควรสอนใจอย่างไรไม่ให้เกิดความอยากหรือความโลภในขณะที่ยังมีความจําเป็นต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายสินค้ากรบกบาบขอพระคุณเจ้าคะ่ะก็อยาวในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปอยากในสิ่งที่จำเป็ น, น, ป น, ก, ปนก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่มหอมที่อยู่อาศัยารักษาโรค แต่ของอย่างอื่นนี่มันไม่จําเป็นมือถือนี่ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามีก็มีไว้เพื่อใช้ถ้าใช้สําหรับทํางานก็ใช้ได้แต่อย่าเอามาใช้เพื่อเป็นการบันเทิงเป็นการหาความสุขเอาเอาเท่าที่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปเอามันถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องมีมันก็อย่าไม่ต้องมีแม้แต่ของจาเป็นถ้ามีพอแล้วก็ไม่ควรที่จะหามาเพิ่มเช่นเสื้อผ้าถ้ามีพอใส่แล้วก็ไม่ควรที่จะหามาเพิ่ม นอกจากว่าถ้ามันไม่พอใช้ก็ต้องค่อยหามาใหม่ใช้หลักของความจําเป็นถามตัวเองว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมถ้าเราไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าไม่จําเป็นถ้าเราเดือดร้อนยังต้องมีอยู่เราก็ต้องมีกแสดงว่าเป็นของจาเป็น คำถามจากคุณวิภาวรรเจ้าค่ะเราควรพิจารณาอย่างไรถึงจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวบุคคลเช่นสามีหรือภรรยาน้องกราบสาธารณหลวงพอ่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เีมเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปให้คิดอย่างนี้เรามีการพลาดพลาดจากการเป็นธรรมดา ลงพน้นจากการทัดพลากจากกาันไปไม่ได้เรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปแล้วก็ไปตัวเปล่าๆเราเอาอะไรติดตัวกอบเราไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ก็จะต้องทิ้งไปหมดมีคำถามจากคุณโทมิ ราวินเจ้าค่ะคุณป้าที่จังหวัดเลยมีคําถามคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพี่ชายติดหนี้บัตรเครดิตและได้เสียชีวิตยังไม่ได้ชําระหนี้ดังกล่าวปัจจุบันถ้าหากจะใช้หนี้แทนเพื่อไม่ให้เป็นหนี้กรรมได้หรือไม่คะหรือมีอีกทางแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ อ, อไม่ได้แล้วละเพราะว่าตัวเขาไม่อยู่แล้วตัวเขาไม่รับรู้แล้วว่าเขาได้ชําระหนี้ แล้วเขาก็ยังในใจเขาก็ยังคิดว่าเขาหนีหนいいีห่เขายังติดหนี้ฉันถ้าจะช่วยชําระหนี้ให้กับเขาต้องทําระตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่บอกเขาว่านี่เอาเงินให้ไปให้ไปชําระหนี้นนะเขาก็ ร, รับทราบเพราจะรู้ว่าเราหมดหนี้แล้วแต่ถ้าเขาไม่รับทราบนี้เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์มีคําถามสอบถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะกราบสอบถามหลวงพ่อเพิ่มเติมครับ ที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานเกี่ยวกับบา ร, รมีโดยได้เรียงลำดับแต่บา ร, รมีแต่ละบา ร, รมีและได้กรุณาขยายความแต่ละบา ร, รมีไปโดยเริ่มจากเมตตาบา ร, รมี ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีและสุดท้ายที่สัจจะบารมีนั้นอยากให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายธรรมเพิ่มเติมว่าขันติบารมีและวิริยะบารมีควรอยู่ในลําดับ ใดของบารมีและขอให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายธรรมขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบารมีทั้งสองด้วยครับหลังจากที่หลวงพ่อได้แสดงธรรมขยายความทำไปแปดบารมีของเมื่อวานแล้วครับออการที่เราจะทําอะไรก็ตามเราต้องมีความตั้งใจเป็นเบื้องต้นก่อนเราต้องคิดก่อนว่า ว, ว, วันนี้เราจะทําอะไรดีเพราะเราเออวันนี้ว่างเราจะไปสร้างบารมีกัน เราก็อโอเคตั้งใจไว้ว่าเราจะวันนี้จะไปวัดไปสร้างบารมีอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานนะเป็นการตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราจะทําอะไรในในเวลาต่อมานี้ยเราจะมาทําบุญมาสร้างบารมีพอเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะผูกความตั้งใจไว้ไม่ให้เปลี่ยนใจราะฉะนั้นตั้งใจตอนตอนตอนเย็นเมือ่อวานนี้พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาขี้เกียจลุกขึ้นมา เปลี่ยนใจไม่มาอย่างนี้ก็การตั้งใจก็ไม่เกิดออไม่เกิดผลประโยชน์ตามมาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะบังคับไว้สัจจะก็คือไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเอง mm. อเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทําตามที่เราตั้งใจไว้ mm. ยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัยเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงลุกขึ้นมาไม่ได้นี้ไปไม่ได้อันนี้ก็แล้วไป เหมือนกับที่ผู้เจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพเราจะนั่งปฏิบัติทำตรงนี้จนกว่าจะตัดทะลุถ้าเรายังไม่ตัดทะลุเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปเปนอขาดอันนี้คือสัจจะอธิษฐานแล้วพอมีสัจจะอธิษฐานแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือต้องมีวิริยะความเพียรความขยันถ้าขี้เกียจ ต, ตื่นขึ้นมามีสัจจะไม่เปลี่ยนใจแต่ขี้เกียจลุก อันนี้ก็ไปไม่ได้นะต้องมีความขยันพอรู้แล้วถึงเวลาต้องลุกแล้วต้องทําแล้วเราเรียบลุกขึ้นมาเลยพอแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคเช่นรถไม่สตาร์ทไม่ติดต้องหารถใหม่หรือต้องหาวิธีไปเดินทางไปใหม่ก็อดทนสู้กับอุปสรรคต่างๆไม่ยอมแพ้อันนี้เรียกว่าขันติบารมีถึงจะสามารถทําสิ่งที่เราตั้งใจให้สําเร็จก็คือมาวัดเราสร้างบุญบารมี เป็นเราสร้างเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีต า, ามลําดับต่อไปเจ้าค่ะมีคําถามฝากถามกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเคยได้ยินคนพูดกันว่าเกิดเป็นผู้ชายมีบุญกว่าเกิดเป็นผู้หญิงเพราะสามารถบวชได้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะปฏิบัติธรรมได้เต็มที่เราจําเป็นต้องบวชเป็นพิษุณีใช่ไหมเจ้าค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใายตัวเรื่องของการบวช บวชก็ได้ไม่บวชก็ได้การบรรลุธรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชขอให้มีมรรคแ ม, มีมีธรรมะที่เราสามารถปฏิบัติได้เท่านั้นเอง <ปะ S 1> เพราะฉะนั้นมีมีพาาระอรหันต์ที่เป็นผู้หญิงเยอะแยะแล้วมีมีผู้ชายที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เยอะแยะเหมือนกันเพราะนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศหญิงเพศชา ย, เ, ชยเป็นหลักมันอยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่ เพราะนั้นแหะจะเป็นตัวที่ตัดสินว่าจะบรรลุได้หรือ บ, บรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลถ้าเราเป็นผู้หญิงเราบวชชีไม่ได้บวชภิกษุณีไม่ได้แล้วก็บวชชีก็ได้เหมือนกันคือการบวชก็คือการถือศีลการห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางโลกนั่นเองทั้งบวชเขาจะไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มเขาเลิกเขาจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เพศหรอก อยู่ที่ว่าใจมีธรรมะ ม, มีมีอินทรีย์ที่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้หรือไม่คือมีศรัทธาความเชื่อมีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือไม่ทั้งนี้ถ้ามีอินทรีย์แล้วสามารถพัฒนาให้กลายเป็นพระห้าได้ก็จะสามารถทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้คำถามจากเพซบุ๊กเจ้าหา่า น้องกราบพระอาจารย์ดูแลผู้ป่วยสวยูงอายุพยายามทําสมาธิเพื่อให้เกิดกําลังจิตใจให้เข้มแข็งแต่ก็ยังคงมีอารมณ์ท้อแท้จิตตกจากอาการที่ผู้ป่วยมีอารมณ์ใสรบวนขอคําแนะนําพระคุณเจ้าโปรดเมตตาบอกทางให้ระลึกถึงทุกครั้งให้เกิดกําลังจิตกําลังใจที่ต่อเนื่องไม่ท้อแท้เจ้าค่ะเราต้องวางคนเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นเหมือนเด็กทารก เราเหมือนเราดูแลเด็กทารกเด็กทารกมันเป็นไร้เดียงสาเขาไม่มีสติที่จะควบคุมอารมณ์เขาได้เขาอยากจะร้องเขาก็ร้องเขาอยากจะฉี่เขาก็ฉี่เราเป็นผู้ดูแลเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนเราดูแลเด็กทารกแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาก็จะสงสารเขาเพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อเขาเดี๋ยวนี้ไม่มีสติที่จะคอยควบคุมอารมณ์ต่างๆของเขาเขาอยากจะบ่นเขาก็บ่นเขาอยากจะว่าเขาก็ว่า ก็อย่าไปถึอสาเขาเรามองให้แค่าถ้าเรามองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กเด็กทารกเด็กร้ายเล็กร้ายเล็สาแล้วเราก็จะมีความเมตตากับเขามีความสงสารกับเขามีคําถามฝากถามเจ้าค่ะว่าการกรวดน้ําหลังทําบุญมีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะก็เป็นการอุทิศบุญไงถึงความจริงการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้ อุทิศไปในในใจอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมถวายของเสร็จนี้ญาติโยมก็เลิกภายในใจว่าขอส่งบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ตายไปแล้วก็เสร็จแล้วเราจึงไม่ค่อยมีพิธีที่นี่ไม่จำมีต้องมีที่กวดน้ํามากวดกันน้ํานี้เป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์ของบุญบุญที่เราทําที่เราจะส่งจากใจเราไปสู่ดวงวิญญาณเราก็เทน้ําจากภาชนะหนึ่งใบสุดภาชนะหนึ่งใช่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยรู ป, ปธรรม แต่บุญมันเป็นน้ำมันทำมันเป็นของที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเราก็เลยใช้น้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบบุญเท่า น, น, นั้นเองค่ะมีคําถามจากคุณปูดีการไม่ให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนยืมเงินจะถือว่าเราไม่มีเมตตาไม่มีน้าใจเป็นบาปเพราะเราไม่ช่วยเหลือเขาหรือไม่คะในวงเล็บ เคยให้ยืมแล้วมีปัญหาไม่ค่อยคืนห่วงหนี้และไกลเป็นทําให้ตัวเราเองไม่สบายใจเจ้าคะ่ะก็อย่างที่พูดเนี่ยก็ถ้าเป็นครั้งสองครั้งก็อาจจะช่วยเหลือกันได้แต่ทําแล้วกลายเป็นนิสัยมาขอยืมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่คืนนี่มันก็มันก็ต้องหยุดนะเราไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีที่ใครจะมาขอยืมเงินกู้เข้าไปแล้วก็ไม่คืนก็ไม่ว่าอะไร ก็ต้องดูว่าความเดือดร้อนเขาเดือดร้อนมากน้อยเพียงไรแล้วจำจริงหรือไม่จริง mm hmm. ถ้าเป็นการถูกหลอกลวงก็ไม่ควรที่จะให้เขายื่ mm hmm. ถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆก็เอา mm hmm. คิดว่าครั้งนี้เป็นการทําบุญทําทานไปให้เขาแล้วเขาจะไม่คืนก็แล้วไปแต่คร mm ั hmm. ้งต่อไปก็บอกไม่มีแล้วนะถ้าคุณไม่คืนกอนของเก่าของใหม่ก็ไม่ ไ, มได้ mm hmm. ต้องต้องมีมาตรการบ้างกระจายนะเช้าค mm ่ะ hmm. ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ